บทนี้จกักแสดงธรรมเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปมนุ์ท่านต่อไปที่กราบทูลถามปัญหาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นคือโตเถยยมา น, า, านุได้กราบทูลถามว่าบุคคลใด ละกามทั้งหลายได้แล้วบุคคลใดทำลายตัณหาได้หมดสิ้นแล้วบุคคลใดข่ำความสงสัยได้หมดสิ้นแล้ววิโมกของบุคคลใดบุคคลใดเข้าถึงวิโมกที่ไม่มีวิโมกเหล่าอื่นดังนี้ข้อ น, นี้จะสังเกตเห็นได้ว่ามานุษย์แต่ละท่านที่มากราบทูลถามปัญหา ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้ามีเป้าประสงค์ที่จะทำตนให้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสและความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นคำถามแต่ละข้อจึงมุ่งที่จะแก้กิเลดประเภทที่สงบอยู่ภายในใจจึงไม่ค่อยพบคำถามในชั้นของศีลแต่จะพบระดับของสมาธิและปัญญาเป็นประการสำคัญ ท่านนี้เพราะว่าท่านเหล่านั้นเองได้ผ่านการประพฤติปฏิบัติในชั้นศีลมาพอสมควรแล้วแต่ในที่สุดก็มาติดมาคล้องมาไม่เข้าใจอยู่ในขั้นที่สูงขึ้นมาปัญหาจึงมีลักษณะอย่างนั้นการถามในที่นี้ใช้คําว่าใครคือมองไปที่ตัวบุคคลซึ่งได้รับผลจากการประพฤติปฏิบัติธรรมะทำหลักคําสอนของพระพุทธเจ้า ซึงแน่นอนว่าคนที่ได้รับผลเช่นนั้นจริงๆก็ต้องเป็นพระญะติบุคคลจากจากพระโสดาบันขึ้นไปแต่เมื่อมองในแง่ของความสมบูรณ์แล้วก็เป็นพระญาตบุคคลระดับพ ร, ระอรหันต์จึงเป็นชั้นสูงสุดตามสานวนที่ท่านใช้คำว่ามีพระอราหันต์เป็นจอดคำว่ากาบนั้นโดยหลักในการปฏิบัติแล้ว พระอนาคามีธัณฑะไดขาดแต่ตัณหาพระหันละไดขาดความสงสัยพระโสดาบันละไดขาดวิโมกข์คือการที่จิตหลุดพ้นจากอานาจของกิเลสในชั้นของการสมบูรณ์จริงๆจึงเป็นเรื่องของพระอาหารแต่ว่าในชั้นของการปฏิบัติที่ลดหลั่นกันลงมานั้นทุกระดับ บุคคลผู้มีความใคร่ธรรมมีความสนใจมีความพอใจยินดีในธรรมสามารถที่จะปฏิบัติตนให้สามารถละกามทั้งหลายได้ระดับหนึ่งามกรรมท่านจึงเน้นไปที่วัตถุ ก, กับอารมณ์วัตถุก็คือสิ่งที่ปรากฏในภายนอกในแง่ของสภาวะธรรมก็เป็นพวกกลุ่มของทุก ข, ขันคือกลุ่มของทุกขสัตว์นั่นเอง คือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยที่เรากลาวสรุปง่ายๆโดยอาศัยประสาทสัมผัสก็คือสิ่งที่คนเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกริมด้วยจีนได้ถูกต้องด้วยกายที่จริงสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยกฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาติท่านเรียกว่าวัตถุ ก, กรมสําหรับคนที่มีกิเลสกามอยู่ภายในใจเท่านั้นเอง อนนี้เป็นเพรอะไรเพราะว่าพระริจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั้นทรงรู้เห็นสิ่งนั้นว่าเป็นแต่เพียงการเกาะกลุมของสังขารธรรมทั้งหลายก็มีการบัญญัติเรียกกันเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นรถเป็นเรือนเป็นบ้านแต่จริงแล้วเมื่อแยกสิ่งเหล่านั้นออกไปความเป็นต่างๆที่สมมุติบัญญัติกันก็ไม่มี ที่ท่านมักจะใช้คําอยู่ประการหนึ่งในขั้นตอนของการปฏิบัติคือบางครั้งก็าพูดจากประสาทสัมผัสภายในคือตาเห็นเป็นต้นพระเจ้าทรงสอนว่าเห็นก็ศักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่ายินในสูดดมก็ศักแต่ว่าสูดดมในลิ้มก็สักแต่ว่าลิ้มด้ถูกต้องก็สักแต่ว่าถูกต้องคือ ห, หยุดความคิดไว้เท่านั้น ไม่ปรุงต่อไปให้เกิดเป็นความกำหนัดหรือความขัดเคืองในอารมณ์เ่านั้นเป็นการแยกใจออกมาจากอารมณ์แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องหลับหูหลับตาไม่ดูอะไรเลยเพียงแต่ไม่ปล่อยให้ใจคลุกคร้ากับอารมณ์เหล่านั้นเท่านั้นแต่การห้ามการครุกคร้าวนั้นก็ห้ามในชั้นที่จะก่อให้เกิดความกำหนัดความขัดเคืองความรุ่มหลงความมวัวเมาในอารมณ์เท่านั้น เพราะไรเพราะว่าเมื่อวัตถุ ก, กรรมทั้งหลายนั้นเกิเป็นกลางกลางบุคคลสามารถใช้ได้ทั้งสองอย่างคือใช้ในด้านที่จะให้เกิดประโยชน์ก็ได้หรือใช้ในด้านที่จะให้เป็นโทษก็ได้ทํานองเครื่องมือเครื่องใช้ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ยกตัวอย่างว่ามีดหมอคือใช้ผ่าตัดช่วยคนป่วยก็ได้ใช้ไปจี้คนอื่นก็ได้ใช้ไปทําลายชีวิตคนอื่นก็ได้ ตัวการสำคัญจึงไม่อยู่ที่ตัวมีดแต่อยู่ที่ตัวตัวใจของคนผู้ใช้มีดเป็นประการสำคัญลักษณะาอารมณ์ที่ปรากฏในภายนอกก็เหมือนกันเป็นวัตถุกรามคือเป็นวัตถุอันน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจสำหรับคนที่ใจมีกิเลสเท่านั้นแต่ถ้าหากใจคนไม่มีกิเลสหรือแม้จะมีกิเลสแต่ก็สร้างความรู้สึกโดยในยักษดังกล่าวแล้วคือเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเป็นต้น เราหยุดความคิดไม่ปรุงคิดไม่คิดปรุงมันเป็นปัจจัยให้ก่อเกิดให้ก่อให้เกิดความกำหนัดเกิดเกลืนเป็นต้นแต่ว่ารูปเสียงดิ่นรถบางจย่างหรือในระดับติดบางระดับบุคคลอาศัยประโยชน์จากรูปเป็นต้นเหล่านั้นเรียนรู้ความจริงนั่นจะเห็นได้ว่าอารมณ์กังกามาฐานทั้งหลายนั้นที่จริงก็เป็นรูปทั้งหมดเลยลมหายใจก็เป็นรูป การดูเรียบดยืนเดินนั่งนอนก็เป็นรูปการรู้กายทั้งปวงรู้ความเคลื่อนไหวทั้งปวงของร่างกายก็เป็นรูปการแยกกายออกเป็นอาการ32ก็เป็นรูปการแยกกายออกเป็นธาตุสก็เป็นรูปการดูศพซากศพซึ่งมีลักษณะต่า ง, า ง, างในบททิวาได้ป่าช้า9 ก, ก้ดีหรือบททิวาโดยอสุภกรรมฐาน10ก็ดีหรือแม้แต่กสินทั้ง10มนุติ10 จนมาแล้วก็เป็นเรื่องของรูปธรรมแต่รูปเหล่านั้นเรามองอีกแง่หนึ่งมองในแง่ที่จะผ่อนคลายความกำหนัดความขัดเคืองความรุ่มหลงว่าบวบเมาลงไปเพื่อ จ, จิตใจของบุคคลความสะอาดขึ้นมีความสงบขึ้นมีเหตุผลสติปัญญามากขึ้นซึ่งหมายความว่าทาจเป็นเช่นนั้นกิเลสก็จะเจือจางเบาบังลงไปจากใจ การมองอีกประการหนึ่งนั้นซึ่งหมายความว่ามองสิ่งนั้นเองถ้าในกรณีที่จะก่อให้เกิดความกำหนัดท่านก็ใช้แต่ว่าสักว่ารูปสักว่าเสียงสักว่ากลิ่นสักวรสสักว่าสัมผัสเป็นการมองการปฏิบัติในขั้นของวิปัสสนากรรมฐานคือใช้ปริมาณของปัญญาที่มากก่อ สามารถสร้างปัญญาประเภทที่ทรงใช้คำว่าสมัคปัญญาคือปัญญาเห็นชอบไปบังเกิดขึ้นภายในใจสามารถวินิจฉัยตัดสินรูปเป็นต้นที่ผ่านมาต่างประสาทสัมผัสโดยหยุดไว้เท่านั้นคือหยุดไว้สักแต่ว่ารูปที่จริงการมองสักแต่ว่ารูปก็ดีสักแต่ว่าเห็นก็ดีเราก็อาศัยประสาทสัมผัสทั้งสองฝ่ายสักแต่ว่าเห็นนั้นกําหนดด้วยอายตนะภายใน แต่ว่ารูปนั้นกำหนดด้วยอยายตนะภายนอกแต่ผลก็จะเกิดขึ้นโดยทํานองเดียวกันคือหยุดการปรุงแต่งจิตใจด้วยแรงปรารถนาหรือว่าแรงของโทวสะในรูปเป็นต้นเหล่านั้นเพราะในชั้นนี้จึงเป็นการมองในแง่ของอริยสัจก็เป็นทุกสัจคือกลุ่มของ สังขารธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปตัตยไตเมื่อแกเกิดขึ้นแล้วแกก็รักษาสภาพเดิมของแกไว้ไม่ได้มีการแปรรวนเปลี่ยนแปลงมีการแผดเผามันเกิดขึ้นมีความเร้าร้อนมันเกิดขึ้นแล้วก็หมุนวนกันเป็นวัฏจักรกัเป็นเช่นนี้ทั้งช่วงยาวช่วงสั้นและแม้แต่ช่วงที่ยาวนานคือสังสารวัตรมันก็ตกอยู่สภาพอย่างเดียวกันเพื่อนการมองรูปในแนวนี้ คือสรุปว่ามองวัตถุกรรมในแนวนี้ก็คือมองให้เห็นในแง่ของความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นหน้าตาที่จะต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติธรรมดาพยายามถ่ายถอนความยึดความจิตความหมกมุ่นวุ่ น, นวายกับเรื่องล่านั้นอย่างน้อยที่สุดไม่ทำบาปราะเหตุแห่งวัตถุการมดีขึ้นมาหน่อย ใช้วัตถุกรรมเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนและบุคคลอื่นดีขึ้นมากว่านั้นสามารถปรับใจได้เวลาวัตถุเหล่านั้นบังเกิดขึ้นก็ทําใจตัวเองได้คือเตรียมรับไว้สองด้านด้านหนึ่งเวลาเกิดขึ้นมันก็คือเกิดขึ้นได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้เย็นร้อนนออนแข็งมาก็คือการได้ โดยการทำใจว่าสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแล้วก็เตรียมใจเอาไว้ว่าแต่สิ่งนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาพอสิ่งนั้นเข้าถึงธรรมดาคือแปรปรวนแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจะแปลงมากหรือแปลงน้อยก็ตามเปลี่ยนแปลงมากก็คือความเก่ขาขมคลาชราวความเสื่อมต้อยลงไปเปลี่ยนแปลงมากก็คือแตกหักทำลายสูญหาย ก็ทำใจได้เป็นธรรมดาเพราะสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วสิ่งที่จะต้องแตกดับเป็นธรรมดาได้แตกดับแตกดับไปแล้วสิ่งที่จะต้องตายเป็นธรรมดาก็ตายไปแล้วสิ่งที่จะต้องพลัดพรากเป็นธรรมดาก็พรัดพรากแล้วบุคคลไม่ควรคิดอะไรเพราะถ้าคิดไปในแง่ที่เกิดความเสียดายก็จะก่อให้เกิดความเศร้าโศกเป็นการเพิ่มทุกข์แก่ตนเองแล้วหยุดความคิดไว้ ว่าในชั้นของการปฏิบัติเพียงสมระดับนี้ก็ชื่อว่าข้ามพ้นความทุกข์ได้ในระดับหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งยิ่งในชีวิตปัจจุบันการอประเภทหนึ่งก็คือพวกกลุ่มของกิเลสกามกลุ่มกิเลสการมนั้นเกิดขึ้นมาจากรากง้าใหญ่ก็คือสิ่งที่เราเรียกรากคะคือจิตถึงกำนันและโลภะความอยากได้ ในมหาสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าอภิชาซึ่งก็หมายความอย่างเดียวกันได้แก่กิเลสประเภทมีความรู้สึกพอใจปรารถนาขว้ ค, คว้าต้องการสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ในครอบครองของตนจะถามว่าต้องการอะไรมันก็ย้อนกลับไปที่วัตถุกรรมอีกเช่นเคยเพราะในโลกนี้มันก็มีเท่านั้นเองปัาสาคัญจึงอยู่ที่ว่า ถ้าบุคคลไม่มองเห็นโทษของกิเลสการการที่พยายามระ ง, งับพยายามดับพยายามละพยายามปลอบคลยก็เกิดขึ้นไม่ได้ในทีน่นี้ท่านพูดในแนวบุคคลเพราะนั้นก็มองกันในแนวบุคคลเสียเลยแทนที่จะมองโดยอาศัยนาวทาเพียงอย่างเดียวบุคคลที่ปรารถนาในวัตถุกรรมทั้งหลาย ก็จะดิ้นไปพล่านไปสายไปในอารมณ์ต่างๆบางครั้งบางคราวก็ล้นหายไปเป็นทุจริต ผ, ผิดกฎหมายบ้างผิดศีลบ้างผิดทั้งสองอย่างบ้างเป็นนากยากรรมเป็นต้นบ้างเลยเมื่อคนได้วัตถุ ก, กรรมเหล่านั้นมาไว้ในครอบครองก็หาความสุขความสงบไม่ได้ต้องวิตกต้องวลเดือดร้อนเป็นห่วงเป็นใยในวัตถุกรรมเหล่านั้น เวลาวัตถุกรรมต้องเปลี่ยนแปลงไปต้องแตกทำลายไปก็ก็เศร้าโศกเสียใจคำควรปริเวทนาการไปหรือประการต่างๆมากปังน้อยปังภาพบุคคลสามคนที่ไปเกี่ยวข้องกับวัตถุกรรมทั้งสมช่วงล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความทุกข์ความสายไปของจิตความเร่าร้อนทางจิต บุคคลก็ทำตนเป็นอุปมาถ้าตนอยู่ในสภาพอย่างนั้นก็จะเป็นอย่างเดียวกันแล้วก็พยายามผ่อนคลายความรู้สึกปรารถนาบางอย่างอย่างน้อยที่สุดว่าอยากต้องการปรารถนาอะไรตั้งคําถามก็จะเป็นอะไรอยากได้ไปเพื่ออะไรอยากได้ไปแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรจะตอบคำถามสามข้อได้มันก็ลดละผ่อนคลายอะไรลงไปได้บ้าง การที่สองคือการข้ามกระแสตัณหาเรื่องตัณหาดูเหมือนจะมีทุกคําถามที่ท่านเหล่านั้นมากราบทูลถามปัญหาที่น่าคิดก็คือว่าทําไมจะต้องถามตัณหาทุกจีเพราะตัณหาแก่บังเกิดขึ้นภายในใจแล้วทําปฏิกิริยาต่อจิตที่แรงบุคคลสัมผัสได้ง่ายมองเห็นความเร่าร้อนความรุนแรงการเสียดแทงการบังคับให้ส่ายของตัณหาได้ง่าย อันผิด ก, กิเลสบางประเภทที่เราดูไม่ค่อยออกเช่นวันนันทิความเพลิดเพลินจันทะความพอใจราคะความกำหนัดเปรมะความรักอย่เี้ยพระพเจ้าไม่ค่อยออกมาพูดเพราะพูดแล้วเห็นไม่ค่อยชัดเหมือนกับที่ท่านแสดงว่าพวกพรหมนั้นไม่ค่อยจะเห็นอ น, นิจตังมันเห็นได้ยากเพราะว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เดินมากลางบางดาวพวกพรมก็หลงคิดเพียงไปว่าโลกนี้เป็นของเทียงแทนแน่นอนหรือเมื่แม้ในพวกเทวดาทั้งหลายเขาก็มองเห็นความเปลี่ยนแปลงได้อย่างความสเสน่ห์สังเวชสลดจิตที่เกิดขึ้นแก่เทวดาทั้งหลายนั้นจึงไม่ค่อยมีตัวกระตุน้นเช่นไรเช่นว่าเทวดาองค์อื่นท่านจุติท่านกุติหายไปเลยแม้ทิ้งซากเอาไว้ก็ไม่มีบทเรียนอะไรที่จะช่วยเหลือ ความสล ด, ดจิตความสังเวช ท, ที่เกิดขึ้นภายในจิตของเทวดาจึงมักเกิดก่อนจุติเพราะอะไรเพราะก่อนเทวดาจะจุดจุตินั้นท่านบอกว่าดอกไม้ทิพเหีียวมีเหงื่อออกจากร่างติวพันธ์เริ่มเศร้ามองเกิดเหนื่อยหน่ายในทิพยสมบัติพิชักจะมองเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไปปฏิยามปกติก็พูดจากระท่านไม่รู้เรื่อง เ พ, เพราะอายุท่านก้อนนานวัยของท่านก็ดูเปลี่ยนแปลงได้ยากและภาพกระตุ้นจากข้างนอกมันก็ไม่มีดังนั้นทําให้ท่านเหล่านั้นเป็นผู้เพลิดเพลินเทวดาจึงแปลว่า พ, พูดเที่ยวเล่นยังมีความเพลิดเพลินคือสนุกสนานไปดนการมองกิเลสมันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือ ถ, ถ้ากิเลสประเภทตันหานี้เองแต่ถ้ากระจุ้มก็ะจิมเกินไปก็มองกันได้ยาก มันมีความกำหนัดมีความเพลิดเพลินมีความยึดติดเป็นลักษณะของยางเหนียวที่ผูกใจเอาไว้เวลาพูดท่านจึงพูดตันหาอุปาทานมันเห็นได้ชัดมากเราจึงพบตันหาอุปาทานอยู่บ่อยบ่อยถ้าพูดลึกกว่านั้นท่านก็พูดอาสวะแต่อาสวะจะไม่พูดกับชาวบ้านทั่วไปเพดูยากเหมือนกันลักษณะของตันหานั้นพอเกิดเข้าสิงใจครอบงำใจแล้วใจจะดิน้นมันก็ดูได้ง่าย นั่นจังแปลว่าตัณหาก็คืออาการดิ้นรนทะเยอทยานจากของใจที่สายไปในวัตถุเรื่องราวอารมณ์บุคคลกรณีต่างๆแต่ตสายไปแสวงหาวัตถุกรามก็เป็นกรรมอาตัณหามองภาพมองความเดือดร้อนบางครั้งมองบาดแผลที่ตัวเองอาจจะมองอยู่ในคุกในตารางก็สอบถามทบ ท, บทบวนดูว่านี่มันมาจากอะไร ร่มค่าเขาจนต้องติดคุกติดตารางมองกลับไปในทําไมจึงเป็นจนันนันก็จะเห็นว่ารถไฟบรรยากาเกินส่วนไปหรืออาการสายไปในอารมณ์อื่นมันก็จะมีลักษณะอย่า ง, ง น, านั้นดังนั้นท่านจึงถามมักยกตัญหามาถามตั้งแต่มานกคนแรกมาทีเดียวเพราะว่าพูดแล้วเห็นได้ไง่ายเข้าใจได้ไง่ายใจผิดปกติไปทันที เหมือนกับ น, น้ำที่เอาไปต้มไว้แล้วก็เดือดพล่านไปทันทีลักษณะของภาะวะตันหาก็ตามคือความต้องการมีต้องการเป็นเราจะพบว่าในโลกมนุษย์นั้นบางครั้งสมน้าทางประวัติศาสตร์เป็นตัวอย่างในการศึกษาเราเรียนเป็นอย่างดีลูกข่าพ่อแม่ต้องการแย่งราชสมบัติญาติข่ายัดพี่ฆ่าน้องเพื่อนข้าเพื่อนนั้นเป็นเรื่องของภาะวะตัหาที่แรง ต้องการปรารถนาสถานะสภาวะเหล่านั้นบางครั้งที่กลายออกมาเป็นสงครามล้างผลันกันระวังประเทศต่อประเทศกลุ่มต่อกลุ่มไข่ต่อไข่จนกลายเป็นสงครามโลกมองย้อนกลับจากพฤติกรรมนั้นไปสู่ตัวกระตุ้นให้เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาก็จะพบว่าตัญหาอยู่ภายใ น, นแม้แต่วิภวตันหามันก็มองในเนี่นั้น คือแสดงอาการเหนื่อยนอหน่ยนายระอาจริงชั่งรำคาญหุดหงิดออกมาต้องการที่จะให้สิ่งนั้นพินาศไปพิบัติไปหลีกไปเปลี่ยนแปลงไ ป, ไ ป, ปการทําใจให้ขั้นตันหานั้นจึงเป็นเรื่องที่ขั้นเยยากแต่อย่าลืมว่าในชั้นของการปฏิบัติเมื่อเราคุมตันหานัานา้นอาศัยเป็นสะพานข้ามฟ้าได้ อาศัยเป็นยานพานะข้ามแม่น้ําได้วาลีท่านยังใช้คําว่าตันหังนิสายะตันหาปหาตบะให้บุคคลอาศัยตันหาดละตาตาอาศัยตันหาความอยากในภพที่พย์นิตเพียนพยายามบําเพ็ญบุญกุศลระดับวัตกรรมีกุศลจนได้บังเกิดในภพที่พระณิสตามที่ต้องการแล้ว ก็ปรารถนาพบทิพยระนีขึ้นไปกว่านั้นคือรูปประพบกบำเ็นเพียรต่อไปในดับสมาธิบังเกิดในรูปประพบเมื่อถึงรูปประพบแล้วก็ใช้ความเพียรพยายามต่อไปตัณหาในอรูปประพบตัณหาในนิพพานก็ไปกันเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยความปรารถนาไปเรื่อยๆเป็นลักษณะของการอาศัยสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงยานภาณะแต่ว่าธรรมดาวญาณภณะเมื่ออาศัยแล้วก็ต้องทิ้ง คือเอาไปด้วยไม่ได้ต้องทิ้ไงไว้ในจุดใดจุด น, ดน่การอาศัยตัณหาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันดังนั้นการรู้เท่าทันต่ออารมณ์ที่บังเกิดขึ้นพยายามควบคุมใจของตอนอย่าให้ตกไปสู่กระแสของตัณหาอยู่เรื่อยไปก็ได้สาทธะคือความยินดีความสุขความส ง, งบสงวรแก่การประพฤติปฏิบัติในชั้นหนึ่ง อย่างน้อยที่สุดก็คือมองในแง่ของผลประโยชน์จะพึงได้จากการที่ใจสายไปเพื่ออยากได้สิ่งเหล่า น, นั้นถ้าประโยชน์ไม่คุ้มค่าก็ไม่รู้จะทํำไปทําอะไรชีวิตเราก็มีอายุน้อยระยะเวลาจะดํารงชีวิตดูไม่กี่วันจะไปคว้าสิ่งโน้นคว้าสิ่งนี้คว้าสิ่งนั้นจะคว้าเอาทำไมนักหนาพอเวลาไปแล้วเราก็ต้องทิ้งสิ่งเหล่า น, นั้นเอาไว้ในโลกไปทําโลกให้รกทําโล ก, โลกให้วุ่นวาย ทำโลกให้เดือดร้อนไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาและตัวเองก็ไปเจอศบาปดังนั้นอย่างน้อยที่สุดว่าแม้ตัณหายังมีอยู่ก็คุมกระแสของตัณหาเอาไว้ย้ายต้มทับใจย้ายถึงทำบาปเพราะตัณหาย้ายตัณหาเผาหลนใจเราละความรุนแรงของตัณหาลงได้บุคคลก็จะสัมผัสความสงบเย็นได้ ในแง่ของความเคลือบแรลงสงสัยที่ท่านบอกว่าข้ามได้นั้นอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วว่าพระโสดาบันนั้นท่านละวิจิกิจชาระดับที่ลึกกว่านี้ได้ระดับที่เป็นสังโยชน์ได้ความเคลือบแคลงสงสัยนั้นเกิดขึ้นในพระพุทธเจ้าบ้างในพระธรรมบัางในพระสงฆ์บ้างหรือแม้แต่ในตรีจิขาบัาง เราจะสงสัยในเรื่องอดีตอนาคตตั้งอดีตเดีอนาคตในกฎของเหตุผลหรือกฎของปัจจจการนั่นก็สูตรของความสงสัยมันก็มีอย่างนี้จะสงสัยกระจายตัวเองเออกไปแปดแนวด้วยกันแต่ภายในทั้งแปดแนวนั้นก็กระจายตัวเองเออกไปได้อีกเป็นนันมากแต่รูปแบบก็มีแนวอย่างนั้นการจะข้ามได้เด็ดขาดก็ต้องอาศัยโซดาปฏิัติบักแต่การจะข้ามให้ได้ในระดับใดระดับหนึ่ง เพราะเพียงแต่บุคคลได้อาศัยหลักของโยนิโสปนสิกันการใช้ปัญญาพิจารณาโดยมีเหตุมีผลที่สำนวนบลีตานใช้กับว่าทําใจไว้ดูบานแ ย, ยบขายคือพยายามคิดอย่างมีระบบความคิดมีเหตุผลยุติโดยเหตุผลและความดีต่างๆสามารถเทียบเคียงสอบทานกับหลักคำสอนของพระพุมีปพระภาคยอย่าง บุคคลก็จะสามารถหาความรู้หาความเข้าใจที่ถูกต้องได้คนนี้ลองสังเกตว่าสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏในโลกนั้นถ้านำไปเทียบเคียงกับหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วยังไม่เคยมีอะไรหลุดรอดไปจากคำสอนของพพุทธเจ้าเลยแม้แต่อย่างเดียว เราอาจจะมียานอาวกาศออกไปนอกโลกเราอาจจะมีดาวหางหันเล่อะไรเท่ไรก็ว่ากันไปแต่สิ่งเหล่านั้นยังไม่นอกไปจากคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะฉ่นั้นถ้าบุคคลได้ใช้หลักของโยนิโสมนัสิการคือการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาโดยอุบานแยกไขยัยยกกรณีตัวอย่างของดาวหางหันเล่ ตอนนี้คนมีความรู้สึกไปบวกเอาไว้กับดาวหางพระดาวนี้มันก็70กว่าปีถึงเกิดครั้งหนึ่งคนเราเกิดมาชาติหนึ่งก็เห็นครั้งเดียวเท่านั้นเองนอกจากว่าเกิดเมื่อตอนอายุหนึ่งขวบแล้วก็อยู่มาได้เจ็ดสิบกว่าปีหรือแ80ดสิปีก็อาจจะได้เห็นแต่ตอนหนึ่งขวบเราก็ไม่รู้เหมือนกันมีเหตุการณ์อะไรเรามักจะไปบวกกับสิ่งเหล่านั้นเจามีการตายมีแผ่นดินไหวมีน้ำหลัก มีอยู่ต้นกะเพรอยู่เขาไฟระเบิดเป็นต้นเราเอาไปบวกข้าวเพราะอะไเพราะความปัจจัยฝังใจเอาเองแท้จริงปรากฏการธรรมชาติเหล่านี้ปีที่แล้วก็มีปีก่อนนู้นก็มีปีก่อนนู้นก็มีแม้วก็มีมากมีน้อยตามเหตุนามปัจจัยมันปัจจัย จ, จากนอกโลกขนาดนั้นไกลขนาดนั้นก็มนไม่ได้เกี่ยวอะไรกันแต่คนก็พยายามให้เกี่ยวแต่เราเทียบเคียงกันหลัก อินพุทธเจ้าย่งทรงแสดงเอาไว้ที่พระองค์ทรงแสดงว่าประโยชน์นั้นเป็นเรื่องของประโยชน์คือหมายความว่าคนเราถ้าทําความดีก็ได้ประโยชน์มันเป็นเรื่องดียามดีขณะดีครูดดีเวลาดีดวงดาวมันอยู่ในท้องฟ้าจะทําอะไรใครได้ดวงดาวก็คือดวงดาวเราก็คือเราก็ใช้หลักของโยนินโสมณฑสิการคือพิจารณาเทียบเคียงไปก็จะข้ามความสงสัยไปได้ในแต่ละจุดในแต่ละเรื่อง แต่ละอารมณ์ในแต่ละกรณีนั้นๆการกระทำความสงสัยจึงมีลักษณะเหมือนการกวาดพื้นหรือการสายกบไม้หรือการทาสีบ้านค่อยๆคืบคลานไปโดยลําดับไม่ใช่วันิ่งๆทาได้แต่เมื่อบุคคลไม่หยุดการใช้หลักโยนิโสภนสิการไม่หยุดการความพยายามที่จะรู้ความจริงของโลกไม่หยุดความพยายามที่จะมองเห็นโทษของตถาหนาแล้วพยายามละไป ผลคือความสุขความสงบอันเป็นป้าประสงค์ในการปฏิบัติธรรมะทางพระพุทธศาสนาก็จะบังเกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตนพอตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป